เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศล ท, ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่ห้าธันวาคมพุทธศักราช2556เป็นวันสำคัญของบวงชนชาวไทยเพราเว้น เป็นวันเฉลิงพระชนมาพัรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอย่างยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติบ้านเมืองทางราชการจึงได้กำหนดวันนี้ให้เป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้เราชาวไทยได้มีเวลามารำลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปกครองแผ <c oughs> ่นดินของไทยเราด้วยธรรมคือความถูกต้องความยุติธรรมความเมตตากรุณา มุติตาโอเบคาแล้วก็ให้พวกเราได้านมาลำลึกถึงพระคุณของบุคคลที่มีความสำคัญที่มีพระคุณมากที่สุดสำหรับพวกเราก็คือบิดาและมารดาผู้บังเกิดเกล้าผู้ให้กำเนิดแก่พวกเราถ้าพวกเรา ไม่มีบิดาไม่มีมารดาพวกเราจะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ได้ดังนั้นพระคุณของบิดามารดาจึงเป็นพระคุณที่ใหญ่หลวนแก่พวกเราทุกๆคนที่พวกเราไม่ควรลืมคอยลำลึกอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ลำลึกแล้ว เราก็อาจจะลืมได้อาจจะมองไม่เห็นความสำคัญของท่านอาจจะไม่ปฏิบัติกิจที่สมควรต่อผู้ที่เป็นลูกที่เพิ่งจะปฏิบัติต่อบิดามารดาแต่ถ้าเราลำลึกทุกวันทุกวันเราก็จะไม่ลืมพระคุณอันยิ่งใหญ่ ของบิดามารดาวันนี้เป็นเพียงวันให้เราได้รำลึกถึงถ้าเรายังไม่เคยรำลึกถึงเลยเราจะได้มีวันนี้เป็นตัวจุดประกายความดีงามที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการที่เราได้รำลึกถึงพระคุณของบิดามารดา แล้วเราจะได้ล้ำลึกถึงพระคุณของท่านอย่างสม่ำเสนอเช่นเรามีธรรมเนียม mm hmm. เวลากราบพระแล้วก็ให้กราบบิดามารด า, าการกราบพระกราบบิดามารด า, านี้เป็นการให้เราได้ตั้งสติได้ล้ำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ และคุณของวีดามันดาเพราะว่าถ้าเราได้หลัเลึกแล้วเราจะได้มีความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูก็คือความรู้คุณของผู้ที่มีพระคุณแก่เรากรตเวทีแปลว่าการตอบแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณของเรา การที่เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่ดีได้นี้เราต้องมีความกตัญญูกะตะเวทีเป็นพื้นฐานรองรับถ้าเราไม่มีความกตัญญูกะตะเวทีแล้วเราก็ยังสู้เดลฉานไม่ได้เดลฉานนี้เช่นสุนักเขาจะรู้จักเจ้าของเวลาเจ้าของมาเขาจะเข้ามา แสดงความเคารพนับถือมีความดีอบ ด, ดีใจที่ได้เห็นผู้มีพระคุณมนุษย์เราถ้าไม่มีความสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นนี้<ม>ก็แสดงว่าต่ำกว่าเรลรชา้างก็คงจะอยู่ในระดับของผู้ที่ไปอยู่ในนรกนั่นเอง เป็นผู้ที่ฆ่าบิดามารดานี่ก็ตายไปก็ต้องไปตกนรกแสดงว่าไม่รู้คุณของบิดามารดาเลยเวลาเกิดความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทก็จะฆ่าได้ทั้งบิดาและมารดาโทษของการฆ่าบิดามารดานี้ ถือว่าเป็น โ, นโทษเป็นโทษที่รุนแรงที่สุดถ้าทางกฎหมายก็ต้องประหารชีวิตนี่เป็นเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสได้ลำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาอยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเราได้ลำลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เรื่อยๆแล้ว เราก็จะมีเจตใจที่จะตอบแทนบุญคุณจะคิดถึงท่านจะพยายามตอบแทนดูแลเลี้ยงดูท่านให้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย <c oughs> การเลี้ยงดูบิดามาดานี้พระพุทธเจ้าทรงจัดไว้ในมงคลสูตรว่ามาตาปิตุปปถานา เอตัมมังกาลมนตัมมังการได้อุปถัรมอุปถาได้รับใช้ดูแลเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้าเราอยากจะมีความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราก็ขอให้เราดูแลบิดามารดาอุปถามอุปถา เลียงดูให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายอย่างน้อยก็ต้องดีเท่ากับการกินอยู่ของเราอย่าให้เรากินอยู่ดีกว่าบิดามารดาปล่อยให้เบดามานดาทุกยากลำบากแต่เราอยู่ดีกินดีอย่างนี้เรียกว่าไม่มีความกตังยูกตเวทีการ มีความกตัญญูกตเวทีนี้แหละจะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกให้แก่ผู้อื่นรู้ว่าเราเป็นคนดีถ้าเราไม่มีความกตัญญูแล้วบุคคลอื่นนี้เขาจะไม่อยากจะคบค้าสมาคมอยากจะให้ความช่วยเหลือแก่เราเพราะว่าขนาดคนที่มีพระคุณอย่างยิ่งใหญ่ของเรา เรายังไม่มีความกตัญญูกตเวทีแล้วคนอื่นที่เขาไม่ได้มีพระคุณเท่ากับวิดามารดาเราจะไปมีความกตัญญูกตเวทีเขาได้อย่างไรเขาก็จะไม่อยากจะช่วยเหลือเราเพราะช่วยแล้วก็กลัวจะถูกแกว้งกลับมากกว่าที่จะได้รับการ ตอบแทนบุญคุณนี่คือความกระตันยูกระตเวทีเป็นหน้าที่ของบุตรของธิดาที่จะพึงปฏิบัติแก่บิดามารดาการที่เราได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดานี้ท่านบอกว่าเหมือนกับการได้ทาบุญกับพระอารหันต์กับพระพรหมเพราะบิดามารดา ก็คือพระพพงของลูกๆนั่นเองการทําบุญกับบิดามารดาจึงได้บุญเท่ากับการได้ทําบุญกับพระอาหารหันต์กับพระพุทธเจ้าเลยดังนั้นถ้าเราอยากจะทําบุญกับพระอาหารหันต์เราไม่ต้องไปไกลมีพระอาหารหันต์อยู่สองรูปอยู่ในบ้านของเราก่อนที่เราจะไปทําบุญกับพระอาหารหันต์นอกบ้าน เราต้องทำบุญกับพระอารหันต์ในบ้านให้ได้ก่อนถ้าไม่ฉชนั้นแล้วเราจะไม่ได้บุญถึงแม้ว่าจะไปทำบุญกับพระอารหันต์นอกมากท่านก็จะสอนให้เรากลับมาทำบุญกับพระอารหันต์ในบ้านเหล่านี้แหละเพราะความสุขความเจริญของเรานี้ความเป็นสิริมงคลของชีวิตเหล่านี้ ก็เริ่มต้นที่การทำบุญกับบิดามารดานั่นเอง mm hmm. การทำบุญกับบิดามารดานี้ก็มีอยู่หลายระดับด้วยกันขึ้นอยู่กับความสามารถของลูกของบุตรของทิดาถ้าทำได้เพียงแต่เลี้ยงดูท่านให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนไปจนวันตาย ก็จะทดแทนบุญคุณได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นยังไม่สามารถทดแทนบุญคุณให้หมดได้ผู้ที่ต้องการจะทดแทนบุญคุณของบิดามารดาให้หมดได้ก็ต้องสามารถทำให้ท่านหลุดพ้นจากการไปเกิดนอบายได้ก็คือให้ท่านได้บรรลุ พระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นพระโสดาบันอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตอบแทนพระคุณให้แก่พุทธมารดาที่หลังจากได้ครอบพระพุทธเจ้าเจวันก็เสด็จสวรรคตแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงมีพลังจิต ที่สามารถติดต่อกับพระพุทธมาดาที่ไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาได้ทรงสามารถติดต่อสั่งสอนธรรมะผ่านทางกระแสจิตจนพระพุทธมาดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมหลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบาย และมีพพชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอันนี้เป็นการทดแทนบุญคุณที่สูงสุดการที่จะทดแทนบุญคุณที่สูงสุดได้นี้ ก็จำเป็นต้องทำตัวเราให้หลุดพ้นก่อนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญทรงปฏิบัติทรงเสด็จออกจากพระราชวังแล้วก็ทรงบาเพ็ญทำคือทานศีลภาวนาจนพระไทยของพระองค์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย หลุดพ้นจากการเรียนไหว้ตายเกิดแล้วจึงได้ไปสั่งสอนพระพุทธมารดาและพระพุทธบิดาตามลำดับต่อไปอันนี้ถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณของท่านอย่างสูงสุดเราก็ต้องปฏิบัติธรรมกันเราต้องรักษาสิ 8, ่งแปดบงเพ็ญจิตภาวนา สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไม่มีภารกิจอย่างอื่นลาออกจากงานแล้วก็มาบงเพ็เป็นนักบวชจะเป็นบวชชีก็ได้บวชพระก็ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็แล้วอ๋อได้บรรลุได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็จะสามารถ นำมาไปสั่งสอนให้แก่บิดามารดาได้แต่การที่จะสั่งสอนนั้นก็ต้องดูว่าบิดามารดาพร้อมที่จะรับคำสั่งสอนหรือไม่ไม่ใช่ไปยัดเยียดไปบังคับให้ท่านปฏิบัติตามคำสอนถึงแม้ว่าจะเป็นคำสอนอันเลิศอันประเสริฐ แต่ท่านอาจจะไม่มีกำลังที่จะสามารถปฏิบัติตามได้ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องปลงว่าเป็นบุญเป็นกรรมของท่านที่ยังไม่มีภูมิปัญญาที่จะเห็นคุณค่าของการบำเพ็ญของการปฏิบัติของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ ไม่ต้องมาทะเลาะวิวาทกับบิดามารดาเพราะบางครั้งเราอยากจะให้ท่านได้สิ่งที่ดีแต่ท่านไม่อยากรับเราก็พยายามบังคับให้ท่านรับหรือมีการดุด่าว่ากล่าวอันนี้แทนที่จะเป็นบุญก็จะเป็นบาปไปบิดามารดาเป็นบุคคลที่สูง เป็นเหมือนครูบาอาจารย์ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปดูด่าว่ากล่าวดาักเตือนบิดามารดาไม่ว่าท่านจะทำผิดมากน้อยเพียงไรก็ตามไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเรามีแต่รับใช้ท่านมีแต่คอยรับคำสั่งคำสอนของท่านแต่เราไม่มีหน้าที่จะไปสั่งสอนท่าน นอกจากท่านถามท่านอยากรู้อะไรเราก็สามารถบอกได้สอนได้แต่อยู่ดีๆอย่าไปสัง่งอย่าไปสอนวีดามารดาคุยกันได้คุยกันไปเผื่อท่านสนใจอยากจะรู้เพิ่มเราก็บอกท่านได้สอนท่านได้แต่ถ้าคุยกันแล้วท่านไม่สนใจ ไม่ชอบทำทานไม่ชอบรักษาสี่งไม่ชอบภาวนาไม่ชอบมาวัดทำบุญตักบาทอันนี้ก็อย่าไปเขี่ยวเข็นบังคับไม่เกิดประโยชน์อะไรมีคำที่พูดกันไว้ว่าเหมือนกับเทน้ำใส่หลังสุนัขสุนัขที่จะไม่ชอบน้ำพอเทน้ำใส่เข้าไปแล้วสุนัข ก, ก็จะสะบัดทิ้งหมด สันใดบุคคลที่ยังไม่มีบุญมากพอก็จะไม่ชอบธรรมะไม่ชอบคำสอนของพระพุทธเจา้าเวลาให้พูดเรื่องธรรมะแล้วก็จะเดินหนีจะไม่อยากจะฟังเพราะว่าธรรมะจะเข้าไปต่อสู้กับความคิดที่ไม่ดี คือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจเช่นเวลาได้ยินได้ฟังว่าควรจะละเว้นจากการเสพสุรายาเมาละเว้นจากการเล่นการพนันละเว้นจากการเที่ยวกลางคืนละเว้นจากการครบคนไม่ดีเป็นมิตรละเว้นจากการความเกียดครานพอไปพูด ก็จะไปเหมือนกับไปจี้ใจดำเข้าเป็นเหมือนวัวสํานังหวะมีแผลอยู่แผลก็คือยังชอบดื่มสุรายังชอบเล่นการพนันยังชอบเที่ยวกลางคืนยังชอบความเกลียดคราังชอบคบคนไม่ดีเป็นวิตรอยู่พอได้ยินได้ฟังสิ่งที่ตนเองชอบทําคือไม่ให้ทํา ในสิ่งที่ตัวเองชอบทำก็จะไม่ชอบฟังก็จะสะบัดทิ้งไปเหมือนกับน้ำที่เลที่เทใส่หลังสุนัขนี้เองดังนั้นถ้าเราคุยแล้วพูดแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ชอบไม่ชอบทำทานไม่ชอบรักษาศีลไม่ชอบภาวนาเราก็ต้องทำใจยอมรับความจริงว่า เขายังไม่มีฐานะคือภูมิปัญญาไม่มีบุญกุศลพอที่จะทำให้เขารับคำสอนอันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้เราก็ทำหน้าที่อย่างอื่นไปคือรับใช้ท่านเวลาท่านขาดหรืออะไรต้องการให้เราพาไปไหนมาไหน ไปลงพยาบาลหรือไปทำธุระอะไรเราก็ทำหน้าที่ดังนี้ไปก็แล้วกันอันนี้คือวิธีการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาที่มีพระคุณอย่างใหญ่หลวงแก่พวกเราแล้วชีวิตของเราจะได้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพราะ คนอื่นเขาจะเห็นความดีงามของเราแล้วเขาก็จะยินดีที่จะสนับสนุนส่งเสริมถ้าเขามีความสามารถหรือมีโอกาสที่จะสนับสนุนเราได้เช่นถ้าเราไปเลือกเป็นเลือกตั้งไปไปสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำ น, นันเป็นเสาทอเป็นสอสอ เขารู้ว่าเราเป็นคนดีเขาก็จะเลือกเราให้เข้ามาเป็นตัวแทนของเขาอันนี้คือความกตัญญูกตวเวทีที่พวกเราทุกคนถ้าอยากจะเป็นคนดีอยากจะมีความเจริญ ก, ก้าวหน้าจําเป็นที่จะต้องบําเพ็ญจะต้องทําอยู่เรื่อยๆ ด้วยการกราบบิดามารดาก่อนนอนหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาแล้วกราบพระแล้วก็กราบบิดามารดาพอเรานึกถึงบิดามารดาเราก็อาจจะคิดว่าวันนี้ควรจะทำอะไรให้กับบิดามารดาดีหาขนมหาข้าวหาของไปฝากดีไหมถ้าไม่ว่างไม่สะดวกก็โทรศัพท์ ไปถามถ่าสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นอย่างไรเผื่อท่านไม่สบายหรือเป็นอะไรเราจะได้ไปช่วยเหลือไปดูแลท่านได้บุคคลที่ไม่มีบุญคุณกับเราเรากับดูแลเลี้ยงดูดีกว่าบุคลที่มีบุญคุณกับเราเช่นภรรยาบุตริดาของเรานี่เขาไม่มีบุญคุณอะไรกับเรามากเลย โดยเฉพาะบุตร ธ, ธิ่ดานี่เขาแทบจะไม่มีบุญคุณเลยแต่เรากลับไปเลี้ยงดูเขาดีกว่าเราดิ้ดูบิดามารดาของเราเสียอีกนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยชั่งน้ำหนักเรื่องของบุญคุณเลยเราทำไปตามความหลงทำตามความรู้สึกนึกคิดว่าอะไรเป็นของเรา เราก็จะต้องเลี้ยงดูดูแลรักษาให้ดีแต่เรากลับไม่ได้ไปคิดว่าบิดามาดานี้เป็นของเราเหมือนกับเราคิดว่าภรรยาสามีหรือบุตรทีดาเป็นของเราเราจึงไปเลี้ยงดูคนที่ไม่มีบุญคุณกับเราแต่คนที่มีบุญคุณกับเราดีเรากลับไม่ได้เลี้ยงดูดูแล เพราะว่าเราไม่ใช้เหตุใช่ผลใช้ธรรมะมาสอนใจนั่นเองถ้าเราใช้เหตุใช่ผลแล้วเราจะเห็นเลยว่าบิดามารดาของเรานี้มีบุญคุณกับเรามากกว่าใครทั้งหมดในโลกนี้แต่ถ้าเราไม่ใช้เหตุใช่ผลไม่คิดกันเราก็จะไปคิดว่าภรรยาสามี ของเรามีความสำคัญกว่าบุตรธดาของเรามีความสำคัญกว่าแต่เราลืมไปว่าการที่มีเราเกิดขึ้นมาได้นี้ก็ไม่ได้เกิดจากสามีหรือภรรยาไม่ได้เกิดจากบุตรทีดาแต่เกิดจากบิดามารดานี่คือเรื่องของการมาทำบุญในวัน พอแห่งชาติเพื่อให้เราได้มาล้ำลึกถึงพระคุณของบุคคลที่มีพระคุณที่มากที่สุดของพวกเราเพื่อเราจะได้ไม่ลืมบุญคลถ้าเราไม่ล้ำลึกแล้วเราอาจจะลืมได้และเราอาจจะกลายเป็นคน อ, กนอักตันยูไปคือคนที่ ไม่มีความรู้สํานึกในบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณแก่เราแต่ถ้าเราดำเลึอกอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะไม่เป็นคนอาฆาตัรรอยู่เราจะเป็นคนกระตันอยู่จะเป็นคนดีแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะมีแต่ความก้าวหน้ารุ่งเรืองทั้งในทางโลกและในทางธรรม เพราะเราจะไม่ลืมบุญคุณของบุคคลต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือเราพอเรามีโอกาสมีความสามารถที่จะตอบแทนบุญคุณได้เราก็จะตอบแทนทันทีนี่แหละคือความสำคัญของการนำลึกถึงบุญคุณของเบิดาแะมารดา ขอให้เราพยายามลำเลิกอยู่ตลาดเวลาและพยายามทดแทนบุญคุณให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเราจะทำได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาร้องไห้ในภายหลังเวลาที่บิดา น, านดาตายไปแล้วตอนนั้นร้องไห้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรร้องหยร้องไห้เสียหกเสียใจว่า ไม่ได้ทำอะไรให้กับเบดามานดาเลยเพราอมัวแต่ไปยุ่งกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราและของครอบครัวเราจนลืมถึงบุญคุณของเบดามานดาไปถ้าเราเลี้ยงดูท่านดูแลท่านอยู่ตลอดเวลา เวลาท่านตายไปเราจะไม่เสีย อ, อกเสียใจเพราะเรารู้ว่าเราได้ทาเต็มที่แล้วได้ตอบแทนบุญคุณอย่างเต็มที่แล้วชีวิตของเราก็จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจดังนั้นขอให้พวกเราพยายามลํำลึกถึงบุญคุณของบิดามาดาอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วตอบแทนบุญคุณ ด้วยการกระทาที่ดีที่งามต่อเิดามานดาไปแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าตามลำดับต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแกเ่เวลาจึงขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรยและบุญกุศล